เราทำตาแข็งแข็งนี้ได้ไหมมันไม่ได้การกระพริบตาแต่ละครั้งนี่เป็นการคลายเครียดแก้ทุกข์สิ่งร่างเอื้อตาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าห้องน้ําได้ไหมเกียรตยังไงก็ต้องเข้าไม่งั้นมันลาบากนะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นต้องแก้ไขต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องอาบน้านําต้องทําความสะอาดไม่ทําก็ไม่ได้ ต้องทานข้าวแล้วต้องขับถ่ายต้องเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องหายใจด้วยนะการหายใจนี่เป็นการแก้ทุกข์ใช่ไหมอีกมากมายเลยเราต้องต้องต้องต้องทำต้องทำอางนั้นเลยต้งแต่เกิดจนตายใช่มเพราะร่างกายเราต้องแก้ไขแก้ปัญหาต้องเยียวยานี่หละเราทุกคนคือคนไข้ของโรงพยาบาลโลกนี้ แล้วสถานอนามัยหรือสถานรักษาพยาบาลนะโอ้โหหนักเขาไปยายเลยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมีวันหมดไม่คนไข้ไอ <c oughs> บางทียิ่งรักษายิ่งมากแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณของโรงพยาบาลมากมายแสดงว่าคนในโลกนี้มันมีความทุกข์มากทั้งราการและจิตใจรักษาเท่าไหร่ไม่หมดโรงพยาบาลนาทีเดี่ยเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยมีความทุก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 ถ้าทำด้วยความจำใจแล้วก็มันไม่ค่อยได้บุญคือไหนต้องทำแล้วเนี่ยถ้าเราทำโดยหน้าที่แต่ว่าเราไม่มีใจเราก็ได้แค่ลูกจ้างธรรมาดาแต่ถ้าทำโดยหน้าที่แล้วด้วยความเต็มใจเห็นว่างานเนี่ยมีประโยชน์ทำด้วยความเมตตาจิตเนี่ยโอ้ได้ทั้งงานได้ทั้งบุญเลยแล้วก็สถตวธรรมาพทางสังคมเนี่ยเขายกย่องมาก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 ชีวิตที่มีความสุขนี่คือบุญรักษาคนที่ชีวิตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่สบายกายไม่สบายใจนี่บาปลักษาบุญรักษาเราจะมีความสุขเพราะนั้นถ้าเราทำหน้าที่ใช้ชีวิตจะที่ไหนก็ตามใช้ชีวิตด้วยสติด้วยการสานึกที่ตั้งใจมุติสิที่เราทำไว้เนี่ยการเต็มใจทาด้วยความเมตตาเนี่ย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 สามปีทาอยู่เงี้ยแล้วก็ได้ผลเจ้านายไม่เคยรังเกียดเพื่อนร่วมงานก็ไม่เคยรังเกียจชีวิตกำลังเป็นไปได้สวยแต่มันหมดบุญซะ ก, ก่อนหมดบุญซะ ก, ก่อนต้องมาทำหน้าที่เป็นคนพิการร่างกายเสียไปเลยเนี่ยตัวเนี้ยพิการตลอดชีวิตพิการมาแต่อายุยีบสี่ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดก็มีการใช้กรรมก็ได้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 น่าจะเป็นคนอื่นไม่น่าเป็นเราเลยเหมือนเราเป็นทุกอยู่คนเดียวในโลกเขาคิดอย่างนั้นไหมอยากร้องไห้อยากระบายอารมอยาค่าตัวตายสารพัดอย่างคนที่มีความทุกโดยเฉพาะทุกเร่ร่างกายเนี่ยเพียงนิดหน่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ใจเนี่ยทุกนิดเดียวเนี่ยโหมันปรุงแต่งสารพัดอย่างทุกใจจะรุนแรงกว่าคนเราที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกเร่ร่างกายทุกเพราะจิตใจคนเป็นโรคจิตโรคประสาทนี้ทุกเพราะจิตใจทางนั้นเลย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 มันเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะคิดว่าเอ้เนี่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันทุกน้อยที่สุดนะเริ่มหาทางออกเนยะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความทุกน้อยที่สุดความตกยังไม่มพูดถึงอะไรๆมันก็ไม่ตกตรงนั้นจะทำยังไงให้ทุกมันน้อยที่สุดมันมีคำถามแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้ก็ถามเนี้ยถามไปก่อนเรื่อยๆจนกระทั่ง ได้มาสนใจกับธรรมะหาคำตอกมามากมายนะหาคำตอบอมาเยอะนึกไม่ออกแล้วก็ให้คําหาคําตอบไม่ได้จนมาปฏิบัติธรรมะนะอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยาามีกัลยาณมิตรเนี่ยหลวงพ่อกําเขียนอยู่วัดป่าสุกโตชัยภูมิเนี่ยแนะนําไม่เป็นไรเมื่อชีวิตมีความทุกข์แก้ปัญหากายไม่ได้แนละ้วก็ลองมาทําทางด้านจิตใจ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 ทำงานเนี่ยเราจะคิดด้วยสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยจะคิดด้วยกิเลสเลยคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากทำลายเบียดเบียนอันนี้กิเลสเขาคิดระวังให้ดีนะเราจะเข้าทางกิเลสแลแล้วมันก็จะพาเราไปเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้เรื่องในชีวิตประจาวันเราทั้งนั้นเลย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 ตอนมาหน้าใหม่ๆนี่เราห่วงไหมแล้วความม่วงเนี่ย <_ d ata> เขาคือใครแขกเพิ่งจรมาแล้วเราก็ต้อนรับแขกอย่างดี <_ d ata> ให้ข้าวให้น้ําเขากินแขกก็ติดใจสิใช่ไหมเราเคยเป็นเจ้าของบ้านแบบไหนเวลาแขกมาเราก็อ๋อเลี้ยงดูปูเสือ <_ d ata> บางทีแขกขอนอนค้างไม่อยากกลับไป อ, อีกแล้วเพราะเราต้อนรับแขก <_ d ata> แต่ถ้าเรารู้ทันแขกเนี่ยแขกอยู่ไม่ได้ อันนี้ผู้ตื่นตจิตใจนะเวลาความโกโรธมาหาเราเนี่ยโอ้โหเราไปโกโรธตามเขาเรียกเราไปต้อนรับแขก โ, กโกรธตามเนี่ยตอนนี้ต่อไปความโกโรธมันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดความโกโรธครั้งหนึง่งเราไม่ทําตามความโกโรธไม่ต้อนรับแขกต่อมาในแขกเขาก็ไม่อยากจะมานะใจเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามีสติควบคุมเอาไว้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าครอบงำไม่ได้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 เราเคยรักทั้งวันไหมเราเคยดีใจทั้งวันไหมอารมณ์วุ่นวายมาแล้วก็ผ่านอย่าไปเชื่อปล่อยปันผ่านไปทั้งวแล้วจิตเราเนี่ยมันก็จะมีสติมันจะคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้แหละจิตมันจะผ่องใสเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาเพียงแต่เอาความทุกข์ในใจออกซะเอาความมิตกกังวลเอาความเศร้าหมองออกซะแล้วใจมันก็จะมีความสุขไปเองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันสบาย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 อะไรก็ตามที่เราทําได้ยากเนี่ยทําได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขพวกเราเคยไหมงานที่ลําบากมากแต่พอทําเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรมีความสุขยิ่งลําบากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เนี่ยโอ้โหมันจะมีความสุขเป็นรางวัลยิ่งปฏิบัติธําเนี่ยฝื้นจิตฝืนใจตัวเองเนี่ยถ้าฝื้นได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีความสุข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 โดยการปฏิบัติธรรมอันนี้คือกําไรส่วนหนึ่งและก็มันมีดอกผลจากกําไรชีวิตคือการเอามาเป็นตัวอย่างมาเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมอันนี้คือดอกผลของกําไรชีวิตทําในส่วนนี้สบายใจทําแบบไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรทําเพื่อจะธทำใจมันก็สบายใช่ไหมเพราะนั้นญาติธรรมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน สิ่งที่ผู้เราได้ทำเนี่ยคืองานที่จะต้องทำเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสายงานเดียวกับพระพุทธเจ้าคืองานอันเปรตพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสัญญาแพทย์แพทย์ผ่าตัดหน้านจิตวิญญาณเคยได้ยินคํานี้ไหมเป็นแพทย์ผ่าตัดหน้านจิตวิญญาณเป็นแพทย์มือเปล่า ไม่มีเครื่องมือแต่อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมือสามารถผ่าตัดคนที่มีความเห็นผิดทางด้านจิตใจให้เห็นถูกต้องได้ใครเคยฟังเรื่ององคุลิมานมาองคุลิมานเนี่ยมีความเห็นผิดทางด้านจิตใจนะฆ่าคนกระตั้งเกิดจะฆ่าแม่ของตนเองมีความเห็นผิด พระเจ้านี่สามารถชี้บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดทําชั่วแล้วท่านยังไม่หยุดทําชั่วองค์ุลิมานเปลี่ยนจิตใจได้เลยโจนทั้งหันมาปฏิบัติธรรมมาบวชกลายเป็นพระอราหันต์เป็นบุคคลที่ดีที่สุดคือพระอราหันต์ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์คนที่เลวที่สุดคือองคุลิมานแต่ที่ดีสุดคือพระอราหันต์ในภาพขององคุลิมานใช่ไหม พาตัดจิตใจคนพระรัตจิตวิญญาณจากคนเห็นผิดมาเห็นถูกต้องเลยคนหนึ่งก็คือนางปตาจาลาใครเคยได้ยินเรื่องนางปตาจาลาบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดานะที่เมก็ไีเพราะเรื่องนี้มีในพุทธการถ้าเล่ามัน ก, ก็ยาวคือเป็นบุคคลที่ทุกข์ที่สุดเลยเป็นผู้หญิงแต่งงานกับสามีโดยการ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 ลูกตายทั้งสองคนเลยคนแรกคือถูกเหยียวโชบไปคนที่สองคือถูกน้ำพัดพาบสามีก็ตายกลับบ้านนี่ไปเจอบ้านนี่ถูกไฟไหม้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายตายหมดเลยกลายเป็นคนบ้าไปเลยเรียกนางประตาจาจราคนบ้าเป็นทุกข์ที่สุดเลยเสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่เสียพี่ชายเสียบ้านกลายเป็นคนบ้ากระเซาะกระเซไปหาพระเจ้า ผู้เจ้าบอกว่าเธอจงมีสติเธอเกิดสตินึกขึ้นได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์ในข่าของพิษุณีจากคนที่เป็นทุกข์ที่สุดพระุูปเจ้าสามารถพาตัท น, นจิตวิญญาณให้กลายเนคนที่เป็นสุขที่สุดก็ได้อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมืออย่างพวกเรานี่รักษาท่านั้นร่างกายเป็นส่วนใหญ่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 แล้วก็ทำทุกความเมตตามันก็เป็นบุญอยู่แล้วงานก็ได้มุนก็ได้แล้วลองทําดูแต่เราจะมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องศึกษาธรรมะนะต้องสนใจธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทําบุญศึกษาธรรมะเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทําบุญเพราะคนที่เรารู้จักญาติเราก็ตามถ้าเขามีปัญหาชีวิตเนี่ย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 เราช่วยเขาได้เราก็ได้บุญเขาก็ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาลบุคคลทั่วไปญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่เราสามารถปลอบใจท่านได้มีวิธีบอกท่านได้มีประโยชน์ไหทไํรวมะอีกประการหนึ่งถ้าเราไปเจอคนไข้ที่รักษาไม่หายและก็จะต้องตายด้วยโรคนั้นจะเป็นโรคมะเร็งหรือเชื้อเอ b อบก็ตาม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 แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราจะบอกเขาได้คุณต้องเสียชีวิตนะภายในนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังสามารถแนะนําวิธีการที่ใช้ชีวิตอยากมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตกระทั่งลมไม่ใช่สุดท้ายสามารถช่วยเขาได้แนะนําเขาได้คนที่จะต้องตายเพราะรักษาไม่หายเนี่ยจิตใจนจะอ้างวางมากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราสามารถเป็นเพื่อนเขาได้ให้กําลังใจเขาได้ไม่เป็นไรแนะนำเขาลองศึกษาธรรมะสิลองไปปฏิบัติธรรมะสิเขายังมีประโยชน์มากในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราสามารถช่วยเขาได้แทนที่เขาจะเศร้าหมองแล้วก็ตายด้วยจิตที่เศร้าหมองตกนรกแต่ทําให้เขามีกําลังใจจิตใจแช่มชื่นตายอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีสติตายอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยโอ้โหนี่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 ช่วยเขาแล้วต้องช่วยใจเราได้เรารักษาเขาแล้วเนี่ยต้องรักษาใจเราด้วยแล้วสำคัญก็คือถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติธรรมไปต่การทำงานเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมสังคมตัวนี้กำลังแห้งแล้งธรรมะมากแล้วก็หาตัวอย่างไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นเราในตวเป็นปัญญาชนลองดาเนินชีวิตด้วยการปฏิบททัติธรรมเลยอยู่ให้เขาเห็นเราจะมีประโยชน์นะเป็นคนที่มีคุณค่า ผมเองนี่ตอนสมัยที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเดิมอยู่นครสวรรค์อยู่อำเภอรพระยาครีตอนที่พี่การใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยสิบหปีไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยจะไปแต่เมื่อไปโรงพยาบาลโรงอื่นนี้ไม่ได้ไปอยู่แต่บ้านวันหนึ่งมันมีโรคภยัยกราเจ็บเกิดขึ้นในตัวเรามีอาการปวดท้องท้องอืด จุกเสียดนน่นซึ่งเป็นโรคประจำตัวมานานรักษายัางไงก็ไม่หายเพราะแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอนะก็มีวันหนึ่งคุณพ่อก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านห่างจากบ้านเจ็ดกิโลส่วนทางที่ไปนั่นเป็นทา ง, งลูกรังล้วนๆเลยฝุนตลกไม่ต้องไปทําก็ได้แล้วไฮไลท์ผมแดงปวดท้องคุณว่าบอไปหาหมอโอ้โหเรานี่ ไม่เคยไปไหนมานานจะได้ไปหาหมอเนี่ยโอ้โหดีใจนอนไม่หลับทั้งคืนผู้นี้เตรียมตัวจะออกจากบ้านไปหาหมอที่โรงพยาบาลเจ็ดกิโลนะออกจากบ้านครั้งแรกคุณพ่อเหมารถเพราะที่นั้นไม่มีรถประจำทางแล้วรถที่เหมาเนี่ยเหมาไปนี่นานๆจะมีรถผ่านทีนึงบ้านนู้นก็เรียกบ้นนี้ก็เรียกเรียกใครจอดรอเขาจะอาศัยไปด้วยเหมาเขานะแต่อาให้อือาศัยไปด้วยก็ไปด้วยกันโรงพยาบาล ไปถึงโรงพยาบาลโอ้โหมีคนไข้ามากมายมีญาติคนไข้ามามากมายไปถึงเจ้าที่ก็ต้อนรับอย่างดีเลยเอาเปลนอนอย่างดีนะนั่งได้เม่นานก็จับนอนแล้วเข็นไปเข็นไปตรงนี้ก็าถามเป็นไรเล่าจดจดเสร็จอ่ะขวางขวางเขาเขาเข็นไปอีกด้านหนึ่งเข็นสัพักโอ้โมันขวางแล้วเขเข็นโอ้โหฐานที่ดีที่คือเข็นไปตรงไหนก็ขวางก็ตรงนั้น ในระหว่างที่รอคุณหมอเนี่ยจะมีญาติคนไข้เนี่ยมาคุยเป็นอะไรเล่าให้กําลังใจแล้วก็บอกแพทย์ทางเลือกให้ด้วยนะไปรักษาหมอโน่นสิโอโเป็นหมอเทวดารักษาหมอนี่สิมีการลดน้ำมนพ่นน้ำหมากคากก็เลช <c oughs> แพทย์ทางเลือกเยอะแยะเลยวันที่เขาพัสดุยายแนะนําอบอุ่นมากด้วยญาติคนไข้ที่ก็ามาเยี่ยมผม คนนั้นก็แนะนำคนนี้ก็แนะนำต่าง ๆ, ๆพูดคุยอยู่ตั้งเกือบชั่วโมงคุณพยาบาลก็เรียกเข้าไปหาหมอมาถึงก็คุยกับพยาบาลก็คุยกับสัตวาน้ำคำแล้วก็หยิบเคตมาดูแล้วก็ใช้สามนิ้วเนี่ยทิ่งไว้ที่ท้องผมตึกตึกตึกสามนิ้วสามครั้งแล้วก็จดยาไม่ได้พูดกับผมสักคำ เราก็เออนึกว่าหมอจะถามจะได้เล่าระบายอะไรไปได้บ้างหลังจากที่ออยาคนคไข้ถามเราแล้ ว, ลวเราก็ได้ระบายตอนนี้หมอถามคงจะต้องมีน้ำหนักมากกว่าแต่โอ้โหผิดหวังเลยคุณหมอไม่พูดอะไรเลยแล้วก็หมอไม่ยิ้มเลยนะหน้านิวเวอร์คิวผูกโบแต่พยาบาลก็พอยิ้มบ้างอ่ะเดี๋ยวไปรอรับยายนะรออีกสักครึ่งชงั่วโมงเดี๋ยวยามานะคุณพยาบาลก็บอกว่าคามิเนตีบ มาก่อนควละยี่สิบาทอันนี้ยาคลายเครียดไอ้คาร์มิเนตีนี่พอจะรับได้ไอ้ยาคลายเครียดนี่ผมบอกว่าให้คุณหมอทานแทนผมไดเลยเพราะคุณหมอนี่เครียดกับผมนะบอกพยาบาลนะไม่กล้าบอกคุณหมอแล้วเดี๋ยวโดนกัดเลยคุณพยาบาลให้คุณหมอทานได้ไหมคุณแววว่าไงวะคุณหมอก็ทานอยู่แล้ว <c oughs> เขาตึงในหม้อเพรนะิเลาเออเราเข้าใจโอ้นี่หมอนี่เครียดกับเรานะ ก็ายารับยากลับไปที่บ้านยาใครเคสไม่ทานแต่ทานแตยาคาเมเนติกค่าเหมารถเนตสอ0รบาทเสียค่ายาห้าสิบบาทโอ้เหมารถไปต้อง200บาทเสียสิบาทประทับใจอยากจะไปโรงพยาบาลอีกแต่ไม่อยากเข้าไปในโรงพยาบาลอยากอยู่รอบๆนอกเพราะญาติคนไข้ให้กําลังใจเรา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 จุดจุอ๋อนี่ตัวเรานี่คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับันจับไม่ใช่อย่าไปยึดมันถือมันนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์โอ้ได้ไปริศนาธรรม <c oughs> เห็นว่าโอ้เนี่โรงพยาบาลเนี่ยมีสโลกแกนเก่าๆว่าหน้างอรอนานบริการไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้นี่ <c oughs> ผมไปโรงพยาบาลเป็นบริการดีมีวินัยใจร่าเริงทุกครั้งที่คุณหมอคุณยาบาลเจอกับผม เอาละก็เห็นว่าสมควงแก่บเวลานะก็รู้สึกินดีมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็นําเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ส่วนไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ส่งคืนไม่จะเป็นต้องเชื่อรับฟังไว้แล้วก็ไปคิดพิจารณาดูอะสมควงแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอ